ที่สถาบันพัฒนาข้าราชกร า, ชารฝ่ายตุลาการสารยุติธรรมเกิดสภาว่าใดเกิดปฏิกิริยาใดเกิดอาการใดอัศจรรย์มากที่สุดไม่สาคัญเลยไม่ว่าจะมีความปฏิกิริยามีความอัศจรรย์สว่างสวัยเมีเกิดอย่างไรก็ตามประเทือนเลือนล่าอะไรก็ตามอีนี้มิตอะไรที่มันน่าอัศจรรย์แหละไม่อัศจรรย์เลยเพราะว่าไม่มีอะไรอัศจรรย์เท่าความปล่อยวาง ความปวางเสียไปวางเสี ย, ไ ป, ย, ไ, ปยไปวางไปเสียไปวางไปเสียนะอาจารย์ที่สุดทุกขณะที่เราปล่วางทุกขณะปัจจุบันแล้วก็ไปคุณพอใจเฮียเฮียเอียคุณพอใจติดใจยินดีหรือว่าไม่คุณพอใจตกใจผับไสมันก็ไม่เป็นกลาง ม, มันก็เป็นล บ, ลบเป็นบวกเป็นลบเป็นบวกไม่เป็นสญุญญากาวางใจเป็นกลางจริงคือเป็นสุญญากาศไม่ใช่แบบพยายามทําใจเป็นกลางถ้าพยายามทำใจให้เป็นกลางมันก็ ย, ยังไม่เป็นกลาง พยายามทําใจให้เป็นกลางอยู่แล้วเป็นกลางหรือเป็นกลางจริงๆถ้าพยายามทําใจเป็นกลางแสดงว่าคุณยังไม่เป็นกลางคุณถึงพยายามทําให้เป็นกลางอย่างนั้นแสดงว่ายังไม่เป็นกลางยังไม่เป็นสูญยังไม่เป็นสูญญตาคุณพยายามทําใจเป็นสูญญตาแสดงว่าใจคุณยังไม่เป็นสูญญตาเหมือนกับเป็นผู้รักษาผู้ทรงธรรมเขาเรียกผู้รักษาผู้ทรงธรรมถ้าผู้รักษาคนไทยขึ้นบาลังแล้ว อย่าพยายามทําใจให้เป็นกลางแสดงว่าอย่งคุณขึ้นไปลาไปได้ใจที่ไม่เป็นกลางคุณจึงพยายามทําใจให้เป็นกลางเพราะถ้าคุณขึ้นไปได้ใจเป็นกลางไม่เอ็นเอียงไปเข้าข้างฝ่ายโจมไม่เอเอียงไปเข้าข้างฝ่ายจําเลยคุณก็ไม่ตมีความต้องพยายามทําใจให้เป็นกลางเพราะคุณขึ้นไปไม่ไม่เอ็นเอียงอยู่แล้วทางฝ่ายโจมฝ่ายจําเลยเมื่อคุณไม่เอเอียงอยู่แล้วเอเอียงทำไมล่ะเอ็เอียงไปทางลบเอเอียงไปทางบวกคือชอบโจด ไม่ชอบจำเลยถ้าชอบโจทย์มันก็เป็นบวก EP. บวก บ, ulk, บวกบวกไม่ชอบจำเลยมันก็เป็นลบลบลบลบบมันก็ไม่เป็นศูนย์คือไม่เป็นกลางถ้าชอบจำเลยไม่ชอบโจทย์ถ้าชอบจำเลยก็เป็นบวกบวกบวกบวกบวกไม่ชอบโจทย์มันก็เป็นลบลบลบลบมันก็ไม่เป็นกลางไม่เป็นศูนย์ยะตาพอใจคุณไม่เป็นกลางเพราะคุณยังชอบโจทย์ชอบจำเลยชอบโจทย์ไม่ชอบจำเลยชอบจำเลยไม่ชอบโจทย์ไม่เป็นกลาง พอคุณขึ้นไปก็คุณก็ต้องพยายามทําใจเป็นกลางเพราะว่าคุณมีความชอบคุณเลยพยายามทําใจเป็นกลางชอบหรือไม่ชอบคุณก็พยายามทําใจเป็นกลางดังนั้นถ้าคุณยังมีความพยายามอยู่แสดงว่าใจคุณไม่เป so ็นกลางคุณก็ไปเปิดคำคำว่าไม่สวมใจคุณได้เพราะความเป็นกลางมันคือเป็นกลางจริงๆโดยที่ไม่ต้องพยายามทําใจให้เป็นกลางมีบางท่านเนี่ย บอกตอนนี <ítulo> sabes, <es> anyway, ้ใจมันเนี่ยมันรู้อะไรแล้วก็ใจมันเฉยหมดเลยรู้อะไรแล้วใจมันว่างหมดเลยนี่เนี่ยใจมันว่างหมดเลยรู้อะไรแล้วใจมว่างหมดเลยรู้อะไรแล้วใจเฉยหมดเลยรู้แล้วว่าใจไม่เป็นกลางแหละพอฟังพุบรู้เลยว่าใจไม่เป็นกลางเพราะอะไรเพราะ พยายามทำใจให้เฉยรู้อะไรแล้วพยายามทำใจให้เฉยพยายามทำใจให้ Menschen, ใ, ให้ว่างแล้วก็แอบหรือไม่เช่นนั้นก็แอบพึงพอใจกับความรู้สึกเฉยความรู้สึกว่างรู้อะไรเลยรู้สึกเฉยไว้รู้อะไรเลยรู้สึกว่างไว้แล้วพ ental, ึงพอใจโดยไม่รู้ตัววันนี้มันเฉยเฉยตลอดเลยเฉยตลอดเลยตลอดวันตลอดคืนว่างตลอดวันตลอดคืนเลยถ้าอย่างนี้แสดงว่าคุณไม่เป็นกลางแล้วใจคุณ ไม่ป็นกลางแนะเพราะว่าคุณติดเข้าไปในความเฉยความว่างคุณไม่รู้ตัวคุณแอบคุณพอใจใจที่รู้สึกเฉยอย่างนั้นไว้ใจที่รู้สึกว่างไว้แล้วคุณก็บอกว่าคุณไปรู้นิพญานแล้วหรือกล้าวิพญานแล้วเพราะใจไม่มีอะไรเลยที่แสดงอาการให้ปรากฏมิแต่ความเฉยความว่างนนี้แสดงว่าอันนั้นแ่บคุณเป็นล็อกไว้ที่ความเฉยกับที่ว่ามันก็เลยไม่เป็นกลางเพราะฉนั้นปล่อยวางหมดไม่แต่เฉยก็ว่ imply, างเลยต like ้องปล่อ oui, <t ell an> ยวาง พอใจมันรู้แล้วมันเป็นกลางไม่เอ็เอียงไปฝั่งที่บวกไม่เอ็นดียงไปฝั่งที่ลบมันเป็นกลางจริงๆไม่เอ็ดียงแล้วเป็นสุญญาตาเป็นธรรมแล้วแต่เป็นธรรมนี่นยังต้องวางทิ้งไปนขนาดมันเป็นธรรมแล้วอย่าว่าแต่ไปทําความรู้สึกที่ว่างที่ความรู้สึกเป็นสุญญาตานะขนาดใจที่มันเป็นสุญญาตาเนี่ย มันเป็นธรรมและกายเวทนาจิตธรรมกายก็ต้องทิ้งไปเวทนาก็ต้องทิ้งไปจิตก็ต้องทิ้งไปพอถึงธรรมเนี่ยให่รู้ทุกอย่างได้ความเป็นกลางจริงๆหม <c oughs> ายถึงว่าเป็นการจริงๆไม่เอะใจทำให้ทำพยายามทำให้ใจเป็นกลางหรือว่ารู้สึกเฉยรู้สึกว่าเป็นกลางแล้วใจเป็นกลางนะแม้แต่ใจเป็นกลางแล้วเนี่ยเป็นกลางก็เป็นกลางใจเป็นกลางก็คือเป็นธรรมแล้วใจเป็นธรรมแล้วไม่รู้สึกว่าพึงพอใจแล้วใจเป็นกลางแล้วพึงพอใจกับใจที่เป็นกลางได้ทีนี้คุณก็ไม่ถึงธรรมอีกเพราะคุณยึดธรรมแล้ว คุณเลยไม่เป็นกลางเพราะคุณพึงพอใจใจที่เป็นกลางแล้วมันเลยไม่เป็นกลางแวความเป็นกลางมันคือเป็นกลางจริงๆวางใจเป็นกลางจริงคือเป็นศุนยศาสตาจริงๆจริงจะเป็นธรรมนี่แพ้จริง